บทที่สิบเจ็ดสับพนามแสดงความเป็นเจ้าของสองสวนน 2. 2> แว้นตาโอคุเลเเขาลืมแว่นตาของเขา เขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที э ่ไหนเดชยูกูลารีนาฬิกานาฬิกาของเขาเสียยูกูล и รีปอบสูตินาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้อง นาฬิ н าแขวนอยู่บนผนังหนังสือเดินทางพาสปอร์ตเขาทาหนังสือเดินทางของเขาหายบแล้วเขาเอานังสือเดินทางไว้ที่ไหนเดชโพาสปอร์ตพวกเขา ของพวกเขา вони їх เด็กเๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ Діти не можуть знайти своїх батьків แต่นั่นพ่อแม่ของพวกเขามาแล้ว Але ж ось ідуть ї х н батьки คุณของคุณ Ви <ว>การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณมิวเลอร์ยากว่าช่าปูดโรสปาเลอร์พันรายาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิเลอร์เดว่าช่าดรเลอร์คุ ณ, ина, คณของคุณวีว่าช การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิทธอยากว่าเฉพาะเดอร์รูส์ปนิชมิทสามีของคุณอยู่ที่ไหนคะคุณสมิทธเดว์ว่าช์ชโลวิกปานิชมิท